ขอความสุขความเจริญจะมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงพระสูตรที่เรียกว่าตะชักกะสุตรคือสูดซึ่งเปรียบด้ยอดแห่งทงดันได้กล่าวมาในตอน ต, น, ตนต้นว่าการแสดงพระสูตรของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นจากเหตุ4ีประการ เกิดข well ึ้นจากอัตยาสัยของพระองค์ประการหนึ่งเกิดข uh ึ้นจากอัตยาศัยของบุคคลอื่นประการหนึ่งเกิดเพราะมีเรื่องหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นประการหนึ่งไม่เกิดขึ้นเพราะมีคนมาถามปัญหาประการหนึ่งเช่นมงคลสูตรที่กล่าวมาแล้วนั้นก็เกิดขึ้นจากคนถามปัญหารัตนสูตรที่กล่าวมาแล้วมันก็เกิดขึ้นจากมีเรื่องที่มันเกิดขึ้น แต่ว่าพระสูต์ที่จะกล่าวนี้เกิดขึ้นด้วยอัตยาสายของพระองค์เองคือพระองค์มีพระประสงค์จะแส ด, แดงเรื่องนี้แก่ภิกษุทั้งหลายส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังนั้นก็คงจะเกิดขึ้นมาจากพระท่นไปบาเพ็ญเพียรในป่าแล้วก็เกิดปาดกลัวสิ่งต่างๆในป่าพระเจ้าก็รับสั่งเล่า เป็นการเอาตำนานของอารยันโบราณขึ้นมาเล่าในตอนต้นเป็นใจความโดยสรุปว่าดูกรภิกษุตั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในคราวเทวศูนย์สงครามคือการรบระหว่างเทวดากับอสูรนั่นพวกเทวดาตกใจอสูรพ่ายแพ้หนีกลับสู่เทวนคร อ, อยู่ไปๆท้าศกจึงได้ประชุม เทวดาทั้งหลายแล้วก็ชี้แจงให้ทราบว่าเวลาพวกเธอมีความหวาดสะดุ้งขนพองสยองกล้าวขึ้นในสงครามเวลาใดก็ตามก็ให้มองดูทงของเทพเจ้าทั้งหลายก็มีประชาบดีเทพบรุณเทพบิาณเทพหรือพระทงของพระองค์ ต่กาก็ดูทงของเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งแล้วความวาดความสะดุง้งอาการขนพองเสียงกล้าวยังไม่หายก็ดูทงขององค์อื่นไปโดยลดํล า, าดับแล้วอาการวาดอาการสะดุง้งอาการขนพองเสียงเกร้าวนั้นก็จะหายไปแล้วก็รับสั่งสรุปว่าการในท้าวส ก, กะสอนให้เทวดาดูทง ของจอมเทพสี่ตนสีองค์คือประจาประชาบดีเทพว ร, รุณเทพอีสานเทพและเท่าสกะเทพ ร, ราชเอกนั้นบางครั้งมก็อาจจะหายกลัวได้บางครั้งอาจจะไม่หายกลัวท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเทพทั้งสองค์เองนั้นก็ยังไม่หายกลัวเหมือนกันยังมีกิเลสเป็นเหตุให้หวาดให้สะดุง้งให้กลัวให้ตกใจอยู่ได้เหมือนกัน เพราะในคนที่ยังมีความหวาดความกลัวยังมีความสะดุ้งนั้นจะเป็นที่พึ่งพานักป้องกันแมคนอื่นหวาดกลัวหายหวาดหายกลัวหายสะดุ้งนั้นาบางครั้งก็อาจจะทำได้บางครั้งก็อาจจะทำไม่ได้แล้วก็ทรงแสดงเหตุเป็นเหตุให้หวาดกลัวสะดุ้งว่าได้แก่ราคาโทสะโมคะ ต่อจากนั้นก็มาสรุปสแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอก็เหมือนกันเมื่อใดที่ไปในสถานที่ต่างๆจะไปในที่ใดก็ตามในป่าในโคดไม้ในหลืบเขาในทางเปรียวในทุ่งกว้างเป็นต้นถ้าเกิดความหวาดความกลัวความสะดุ้งใจเต้นขนพองเสียงกล้าวขึ้นมาก็ให้สาธยายคือรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า โดยนัยะเป็นต้นว่าอิติปิโสะกวาที่สวดกันนั่นเองค้อนี้ท่างหลายจะพบว่าอิติปิโสะกวานี่เจอบ่อยในในพระสูตรต่างๆเป็นที่น่าสังเกตว่าบทนี้คล้ายๆกับเป็นบทสากลสำหรับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งโดยเฉพาะ ก้อสวดสาธยายาแต่พระในสมัยนั้นท่านสาธยายแล้วท่านก็เข้าใจความหมายว่าหมายความว่าอย่างไงจิตใจก็จะน้อมเข้าหาพระพุทธคุณความหวาดความกลัวความสะดุ้งต่างๆก็จะบรรเทาบาบางลงไปแต่ถ้าระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วยังไม่หายหวาดกลัวสะดุง้งขนพองเสียงก้าวก็อยลึกถึงคุณของพระธรรม ตามนัยยะของธรมคุณที่สวดการ น, นั่นเดงแล้วอาการขนพองเสียงกล้าก็จะหายถ้ายังไม่หายอีกจะ แ, แสดงว่ากลัวจังก็ให้ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ตามบทที่สวด <c oughs> สุปฏิปโนภะกตโตสาวกสังโฆหรือขึ้นโยโซอย่างที่สดวดธรรมะตอนเช้าก็ได้แล้วอาการหวาดพองอาการขนพองเสียงกล้าวความวาดกลัวต่างๆก็จะหายไป และการหายไปของการขนพองเสียองกร้านนั้นจะหายไปจริงๆเพราะกิเลสเป็นเหตุให้หวาดให้กลัวให้อาการขนพองเสียองกล้าวนั้นของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั้นไม่มีพระเจ้าเองถ้าก็ไม่หวาดกลัวพระธรรมเองนั้นก็เป็นนามธรรมไม่ก็ไ ม, ไม่ไม่ความหวาดกลัวพระสงฆ์ซึ่งเป็นอริยะสงฆ์แล้วก็ไม่มีความหวาดความกลัวความสะดุง้งเพรานั้นเมื่อคนไปยึดถือท่านเหล่านั้น ไปรำลึกถึงท่านเหล่านั้นอาการขนฟองสอยองกร้าวก็จะหายไปและเสร็จแล้วคงสรุปทรงสรุปโดยใจความเป็นคาถาซึ่งเวลาพระเรานำมาสวดนั้นก็ไม่ได้สวดหมดเพราะพระสูตรนี้เป็นประสูตรที่สูตรยากมากเลยคือจำยากถ้าไม่ทวนกันให้ดีแล้วก็ล้มออได้ดื้อยังไงไม่รู้ คือสับแสงมันเป็นเรื่องของเทวดาเทวดามันก็จำไม่ค่อยได้มันไม่ใช่สับธรรมะแล้วคำเนี่มันก็ซ้ำๆๆ้ๆซ้ำๆผิดกันนิดๆนๆบางทีมันก็เปลี่ยนคําไม่ทันไม่จบแล้วอีกอีกประการหนึ่งมันก็นานด้วยมันเวลาพระสวดจะสวดเฉพาะอิติปิโสสวัสดิ์าตูสุ ป, ปฏิปันโนในบ้านนะฮะ ท่านที่เคยเกี่ยวข้องกับงานนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องแล้วทุกคนคืองานพิธีบงคลทั้งหลายนั้นท่านจะนำว่าอนุสนะปาทั่งพนามะเซคือจะสวดเฉพาะอนุสนะปาฐะคือปาฐะที่ตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระตระนตราย แต่บางครั้งบางคราวท่านก็สวดเพี้ยนออกไปคือไม่ใช่เพี้ยนไปจากพระสูตรหรอกมันก็เพี้ยนไปจากปกติที่เขาสวดกันคือท่านจะขึ้นว่าอาดันเยรุขมูเรวาสุญยาการวะพิกโวอนุสเรตัมบุตทังปยังตุมห้างกนุยาโนเจตุถังสเรยาทะโลเชทังนราสะพังอัตตธรรมสเรยาทะนิยานิกังสเดสตังโนเจตุธัรมเสเรยาทะนิยานิกังสเดสิตังอัตสังขังสเรยาทะบุญญเกตตังอนุตรัง ตกลงว่าให้ระลึกถึงคือคือคือว่าอรันเยรุคมุเลวานะฮะอยู่ในป่าอรันเยก็อยู่ในป่ารุคมุเลวาก็โคนไม้สุญญาการเรก็เรือนบ้าง อ, อยู่ตรงไหนก็ตามก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นโล ก, กะเชตฐะคือโลกะเชตเป็นพี่ใหญ่ของชาวโลกอ้นราสภานั้นคือเป็นผู้กแก้วกล้า เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่นรารชนหรือไปงานก็ระลึกถึงธรรมะธรรมะในที่นี้ออท่านใช้คําว่านิยานิกังสุเดสิตังธรรมะที่เป็นเครื่องนําออกจากกิเลสและนําออกจากทุกอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงไว้ดีแล้วหรือว่าระลึกถึงพระสงฆ์ซึ่งปุญยักเขตตังานุตรังซึ่งเป็นเขต แห่งบุญของชาวโลกไม่มีเขตแห่งบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าก็าเป็นการระลึกโดยสรุปแต่ถ้าเราลึกโดยพิสดารเราก็รลึกตามแนวของอ e ีติพิโซสสวัค า, าโตสุ ป, ปฏิปโนตังกล่าวเออพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่มีหลักการแสดงที่แปลกแปลกในตอนต้นก็คือว่าไม่มีใครพรมมานะฮะพระพเจ้าก็แสดงเลยคือไม่มีใครกราบทูลรัตนา ไปชุมพระแล้วก็เรียกมาชี้แจงแสดงเลยแต่การที่สองจบแล้วแต่อย่างไม่จบตามปกติพระสูตรนี้จะจบด้วยคำคาบาลีว่าอินดา ม, มโวจปกะวาอตมานาเตปิคุภควาโตภาสิตังอภินันดุงจบแต่ว่าพระสูตรนี้ไม่จบคือไปต่อด้วยคาถาอีกทีหนึ่งเป็นคําประพันธ์เป็นคําจันนะที่กล่าวแล้วนะ แล้วไห น, น, นการนำมาสวดมันก็นำมาสวดจุดสองตอนตอ น, นตอนใดตอนหนึ่งนะฮะไม่ใช่ระสตรทั้งสองตอนเพราะวเนื้อความนอกจากนั้นเป็นพลความเป็นเรื่องเล่าไม่ใช่ว่าตัวจะครั้งยาศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะสูตรในแนวนี้อย่างที่บอกว่าต้องการขาจัดทุกภัยโรคที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือกำลังจะเกิดขึ้นแก่บุคคลประสูตรนี้ได้ชื่อว่าทชชักขสูตร แปลว่ายอดแห่งทงนะฮะประสูตรที่ว่าโดยยอดแห่งทนทายชักทายชะก็คือทงอคะก็คือยอดยอดแห่งทงมันแสดงอะไรหลายอย่างแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ท่านทั้งหลายน่าจะไปรู้จั ก, กเทวศูนย์สงครามหรือว่าเทวาเทวะสงครามใน วรรณกรรมไทยเรารัชกาลที่6ก็เคยส่งพระนิพนธ์เรื่องเทวะเทวสงครามหรือเทวศูนย์สงครามหรืออสูรสงครามเป็นตำนานโบราณนานขนาดไหนก็ไม่รู้แหละนานมากทีนี้เรื่องจะจริงหรือจะเท็จนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพระพุทธเจ้าออกมาเพียงตัวอย่างเท่านั้นเองพระพเจ้าไม่รับสั่งมาจริงหรือไม่จริงแต่รับสั่งเป็นเพียงตัวอย่างตามตำนานที่เขาล่าสืบต่อกันมาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ แล้วเขาก็ยืดเือกันอย่างนั้นเพราะงั้นในาศาสนาเราผมก็ทําได้อย่างนี้แต่ถ้าหากวามีปัญหาอย่างงั้นขึ้นมาเอ่อเหตุที่ให้เกิดเทวศูนย์สงครามนั้นก็ยาวนะครหลายตอนด้วยกันแต่อตอนแรกเคยเล่ามาครั้งหนึ่งที่เรื่องของน้ำำาําอมฤตธรรมเอ๋ไม่ใช่น้ําอมฤตนะครับ เ, เทวดาเมื่อก่อนนั้ก็เป็นมระคือตายเหมือนกันแล้วต่อมาก็เทวดาก็เกิดกลัวตาย ก็พยายามที่จะหาวิธีทํำยังไงตัวเองจะเป็นอมรคือไม่ต้องตายไอ้คำว่าไม่ต้องตายของท่านนั้นหมายความว่าก็อายุยืนนะฮะใกล้ๆกับเราต้องการอายุอะไรยายาอายุวัฒนะหากินกันจริงเพื่อต้องการจะอยยุยืนไม่รู้จะยืนอยจะทําทอะไรเบ้างกัน เ, เทวดาก็เลยตกลงปลนกวนเกษียนสมุดอย่างที่เคยเล่าฟังวันก่อนนะฮะโดยเอาอาสน อยู่ด้านหนึ่งเทวดาอยู่ด้านหนึ่งเอานากเป็นเชือกโม่สมบโม่ภูเขาสองลูกมาโม่กันแล้วนากคล้ายๆก็เป็นเชือกให้อสูนอยู่ข้างหัวเทวดาอยู่ข้างข้างหางนาคห น, นากพอเจ็บข้าวก็พ่นพิษใส่อสูรอสูนก็แค้นมากนะฮะทีนี้ เในเรื่องนั้นที่เล่าให้ฟังถึงวันก่อนที่ว่าเป็นเหตุให้พระศิวะพระเสียนพระสอดำนะฮะก็เกิดตรงนี้แล้วเป็นเหตุให้อะไรพระราหูพระราหูที่เบียดเบียน ก, น, กนกันกับพระจันทร์พระอาทิตย์อะไรต่างๆตำนานเขาเรียกว่าเทพนิยายนะฮะแก็เกิดขึ้นในคราวนี้คราวนี้นิทานเกิดเยอะเลยนิทานที่เกี่ยวกับ เ, เทวดานพเคราะห์มันก็เกิดตรงนี้เยอะ เร่องพระอังคารทําไมจะถูกกับคนนั้นพระจันทร์ทำไมถูกกับคนนั้นทำไม่ถูกกับคนนั้นอะไรแต่อายนี้อาทิตย์เป็นมิตรกับครูพระจันทร์สมจูปุตดงเยาวอะไรในสุขปากหวานทาการรับรบอลระหูกระสอบเป็นมิตรเกีกักกนในแต่อายนี้มันก็เกิดแต่แถ่นี้นเรื่องมันยาวเยอะเออก็สรุปว่าในคราวกวนกระเสียนสมุดคราวนั้นมันก็เกิดน้ํามอามฤรืขึ้นมาเกิดน้ําอามารขึ้นมาทเทวาดาก็ฉลองกันใหญ่นะฮะก็เดิมน้ําอามฤรืกัน อ, อารมอสูรเนี่ยมันก็โดนกวนกระเสียนสมุทรเส้นเหนื่อยมันกินมากหน่อยนะมันเมาพอเมาพวกเทวดาก็จับอสูรโยนจากสวรรค์แต่ว่าตอนนั้นอสูรกินยากระไปแล้วมันคือไม่ตายแล้วแต่ก็มีบุญก็เกิดวิมานอรองรับอสูรอันนี้ตำตำนานของพราม์นะโยมเดี๋ยวไปพูดกันแล้วกันตำนานของพราหม์อจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอิทธิพลในสังคมไทยอยู่เยอะเรื่องเนี้ยเออ คือลักษณะวิมานของของพราหมกับของพุทธเรานั้นไม่เหมือนกันนะครับท่านที่เรียนไตรภูมิพระร่วงท่านจะนึกออกว่าลักษณะสวรรค์วิมานของพราหมณ์นั้นมีลักษณะซ้อนกันเหมือนเอาจา์มาวางซ้อนกันโดยเอาเขาพระสุมเมนเป็นศูนย์กลางโลกนะฮะแต่ต้องรู้นะครับของพราหมไปเดียวไปปนกับพุทธจยุ่งกัน เ, เขาพระสุมเมนก็อยู่ตรงกลางโลก รอบเขาบาสุมเมนก็มีเขาสัตตพันธ์คีรีอุสุนทนกนรกรวิกอัศกันะอะไรต่างๆเนี่ยฮะก็รอบแล้วก็ระหว่างสะในระหว่างภูเขาก็มีสะอนุดาดเป็นที่อยู่ของพวกกินนอนวิทยาทนคนทันะอะไรต่าเนี่ยแล้วก็ข้างข้างข้างรอบเขาบัสุมเมนนะด้านเขาบสุมเมนสีทิศก็มีท้าจตุมาราชรักราําทิตต่างๆเนี่ยแล้วก็ ขึ้นไปบนยอดเขาวาสุเมนก็เป็นที่อยู่ของพระศิวะหรือพระอิศวรไปสวนที่มีอภรรย์จันทร์เป็นปิ่นนะฮะอภรรย์จันทร์เป็นปิ่นมันก็เกิดเรื่องคราวนั้นเหมือนกันนะคราวเอกเสียนสมุทรเพราะพระจันทร์ท่านปากอยู่ไม่สุขไปชี้บอกพระนารายณ์ว่าไอ้พระราหูมาแอบกินน้ําอมฤตแอบกินน้ำอมฤตเลยก็ถูกไอ้พระนารายณ์คว้างพระราหูขาดสองข่อนราหูก็โกรธพระจันทร์ ก็เลยอาจารย์ก็ต้องหลบไปพึ่งบารมีพระศิวะอะไรนิทานมันเยอะนิทานนึงก็ทีนี้สวรรค์มันก็ขึ้นไปอย่างนี้เองขึ้นไปเป็นเป็นเป็นดาวดึงเป็นยามเป็นดุสิตเป็นนิมาดีเป็นบารมีตะวัสตีเป็นเอะพรหมอะไรพรหมปโรหิตามหาเอะพรหมมาปริสัตเป็นพรหมปโรหิตามหาพรหมมาเนี่มันก็ขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็สูงสุดถึงอนิตภพน์นะครับ แสดงว่าไอ้ความคิดในแนวนี้นนวรรณคดีไทยคนโบราณไทยนี่เรารู้เรื่องไอ้แผนผังของของโลกโลกมนุษย์สวรรค์โลกของพรหมในแนวของพรามนะฮะเก่งมาก ต, ตอนศรีปราดเขาแต่งอะไรฮะ เ, เรียมรักไอเรียมไอเรียมร่ำน้ำเนตรท่วมถึงพรหมอะไรเนะี่ยหมาสมุดจอมจอมจมูบมวยอะไรต่อแล้วเส็แล้ ว, ลวพระนารายณ์ถามเอตั้งกันแล้วแกจะอยู่ที่ไหน ศรีปาก็บอกว่าหากอนิทะช่วยพี่ไว้จึงคง <c oughs> ขึ้นไปอยู่ปรมโลกสูงสุดนะ <c oughs> อันนี้จะฟบที่อยู่ของวรรณคามีคือแสดงว่าเก่งไม่ใช่เล่นรอบรู้เรื่องวรรณคดีวรรณคดีไม่เบาเลยแล้วก็หัวไวด้วยมันมันมัดมัดสมุดท่วมโลกแล้วตัวเองจะไปอยู่ตรงไหนประเดี๋ยวตั้งก็หัวหัวไวนะแต่ว่าให้เห็นว่าแนวความคิดก็คือสอบขึ้นไปเป็นชั้ น, น, ปปนชั้ น, น, นขึ้นไปเป็นชั้นอย่างนี้เนื้อจารย์ซ้อนกัน ไอ้ผังความคิดในวนในรรณคดีไทยเนี่ยที่มีปัญหามากคนไทยเราคล้องใจสงสัยเรื่องสวรรค์นรกเพราะเรามองแบบผังภูมิศาสตร์ของพผามเราไม่ได้เรียนแบบพุทธแต่เราเรียนแบบพุทธเราก็คงไม่ติดใจอะไรแต่ไหนในใจภูมิพระร่วงเราอย่าลืมว่าในวังสุขโขทัยนั้นมีพวกพราหม์อยู่แยะพระพุทธเจ้าเองไม่ได้บอกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอสวรรค์ไว้ ท่านเหล่านั้นก็ต้องอัตกรกถาจารย์กันเองก็เอาแนวของพราหมณ์เข้ามาในวรรณคดีไทยจนถึงกัเอโรล่าชันต้านะเอโรล่าโดยเฉพาะเอโรล่าที่ที่ที่อินเดียนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็ขุดแนวพระเขพาพระสุมเมนขุดแนวพระเขาปะสุมเมนเอาเขาพระสุมเมนเป็นใจ ก, กลางโลกทีนี้พะโลมาข้างล่างลงมาข้างล่างมันก็ใต้ภูเขพาพระสุมเมนเนี่เป็นเวบประจิติอสูรวิมานเกิดเรื่องคราวนั้น ไ, นไอ้คราวไอ้กวนกับเสียนสมุทร เรื่องควรเศษเศษสมุติอสูรมันนอนหลับเมาเหล้าเปลืงกระจับโยนเไว้ตกข้างล่างตกขล่างมันเกิดวิมานรองรับมันก็กลายเป็นเวทปจิตติอสูรวิมานขึ้นมาแต่ก็ลงไปข้างล่างอีกลงไปข้างล่างอีกมันก็กลายเป็นนรกเป็นนรกเป็นสัญชีปนรกกาลัสุตตะนรกสังคาตะนรกโรรวะนรกหมาโรร์หาโรรวะนรกตาปณะนรกมหาตาปณะหาตาปณะนรกอเวจีนนรกมันลงลึกๆลงไป ลองนั่เลื่อกลงไปมันก็จานซ้อนกันนะฮะสรุปว่าจานซ้อนกันนั่นคือไอ้ไอเทวโลกพรหมโลกมนุษยโลกแบบของพรามสรุปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงนะพระนรกมันอยู่ที่อินเดียสวรรค์ก็อยู่ที่อินเดียเลยก็หมดหวงังแต่ว่าแนวของพุทธเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะแนวพุทธเราพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอย่างนั้นแต่ว่าที่เราพูดชั้นนั้นเป็นชั้นจิตนะฮะ ไม่ได้พูดถึงว่าชั้นซ้อนกันคือโยมจะต้องแยกไห้ออกว่าแนวพูดไม่ได้พูดชั้นซ้อนนะฮะเป็นชั้นจิตที่มันประนีตขึ้นไปเราเรียกชั้นเราพูดชั้นของจิตไม่ได้พูดถึงชั้นว่ามันซ้อนกันอย่างนั้นนะแต่ว่าไอ้ชั้นของความประนีตของจิตที่มันประนีตทาให้ได้วัตถุที่ประนีตขึ้นเราก็ดูง่ายๆว่าคล้ายๆกับว่าจิตใจเราประนีตเนี่ยจิตใจเราสะอาดรักสวยรักงามบ้านชอบมันก็น่าอยู่น่าอาศัยมันสะท้อนไปที่สิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรา เป็นคนรักสวยรักงามอะไรต่ออะไรมันก็ประนีตไปหมดเลยเพราะเขาแต่งพบแต่งชาเ้าได้นะฮะเขสร้างขึ้นมาได้เสื้อผ้าสะอาดสะอ้านที่อยู่ที่อาศัยก็น่าอยู่น่าอาศัยมันก็เห็นเห็นเงี้ยเยอะเออของเราแสดงไปแนวที่ว่าเมื่ อ, อชั้นจิตมันสูงขึ้นนะฮะทำให้พบคือสถานที่อยู่มันก็สูงขึ้ น, นะฮะเหมือนบ้านบ้านคนดีอ่ะบ้านคนรักสวยรักงามมันก็น่าอยู่น่าอาศัยนั่นเอง ทีนี้าจากเหตุนี้ทําให้อสูรโกรธนะฮะอสูรเบปจิติอสูรนี่โกรธโกรธเทวดามากเลยโดยเฉพาะาท้าศากเทวราชท้าศากาเาทาากวราชนั้นเป็นหัวหน้าเขาคือจับโยนจับเคลื่อนโยนลงมาท้าศากะของพราหมนะฮะท้าศากะในแนวพราหมณ์ตอนแรกนั้นเป็นมหาเทพผู้ใหญ่ซึ่งคนเคารพนับถือมากเพิ่งเสียสถานะสมัยรามายนะนะฮะสมัยรามเกียรติ เริ่มตกต่ำจริงท่านเริ่มตกต่ำ ม, มานานแล้วมันก็แบบผู้ใหญ่ทั้งหลายนะฮะไอ้ลูกน้องสอพเสียธรรมเสียคนหมดทั้งนั้นนะว่าในยุคใดสมัยใดพระอินทร์ก็ก็อยู่ในอรอบเดียวกันพระอินทร์เมื่อก่อนท่านก็เป็นดีๆแต่ว่าลูกน้องท่านสะดุดดีเสียเอาเสียทุกเรื่องทุกราวเลยในที่สุดพระอินทร์ก็เละเอ่าไม่มีหลักไม่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเดี่ยวน้ําใจอ่าป้าก็มาเสียฐานเสียศูนย์ในสมัย รามายณนะรามายณะคือเรื่องรามเกียรติเนะ่ยมันเรื่องก่อนพุทธกาลนะฮะไม่ใช่เรื่องหลังพุทธกาลแต่ว่านํามารวบรวมเรียบเรียงขึ้นในสมัยหลังพุทธกาลตันเดงคือเรียบเรียงขึ้นในยุคปุราณะแต่เหตุการณ์จริงๆนั้นเกิดขึ้นก่อนพุทธกาลเ อ, อ้าทาส ก, กะนั้นเป็นหัวหน้าคือว่าท่านเป็นจอมเทพในดาวเดงเห็นไหมการปกครองพวกอสูรนี่มันไม่เดียด มันยุงๆเลยก็จับไล่ได้เลยทีนี้พวกนี้มันก็เกิดวิมาในลักษณะใกล้เคียงกันกับกับสวัสชันดาวดึงพอถึงคราวไอเว้เบปจิตเตอสูนแค่งขึ้นมาก็ยกกองทัพไปรบเหตุที่ยกกองทัพไปรบมันไม่ใช่เรื่องเดียวมันเป็นเรื่องซ้ําซ้อนนะซ้ําซ้อนคือจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่จริงจะว่าในเชิงประวัติ จ, จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเหตุเกิดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นได้จริงแมมในปัจจุบัน ในสายหนึ่งท่านทั้งหลายเคยได้ฟังเรื่องมคามนพทนะฮะไอท้าักกะกับเวปจิตติศูนย์นี่พ่อตาก็ลูกเคยที่จริงต่อมานะแต่ไม่ถูกกันในคำพีพระพุทธศาสนาในสังยุตติกายมีตั้งหลายตอนหลายเรื่องนะฮะพูดถึงอสององค์เนี้ยเทพเจ้าสององค์นี้ทะเลาะกันรบกันแล้วก็ในที่สุดมาชนะการในตอนโตเป็นภาษิกกันรบกันจนกลายเป็นคนดีย ในเรื่องมขมานพนั้นก็มีข้อความเฉพาะตอนเดียวนะฮะจะไปเล่ายาวก็เดิมจะยาวกันไปใหญ่คือนางสุชาดาซึ่งเป็นพันยาของท่านมขะมานพเนี่ยมขมานพมีพันยาสี่คนคือสุชาดาสุธมาสุจิตาสุนันทาคนอื่นก็ทำบุญทำกุศลพอสามีตายไปเกิดเป็นท้าสกะเทวราชตัวเองก็เกิดเป็นเทพธิดาทั้งหมดเลยสามองค์ แต่นางสุชาดานั้นถือว่าสามีสามีรำมันก็เหมือนกับพัญญาธรมก็ตัวเองก็ไม่ต้องทําแล้วก็ถือว่าม า, ามานพนอกจากจะเป็นสามีแล้วยังเป็นลูกของลุงด้วยคือเป็นญาติกันด้วยนะเกี่ยวข้องเป็นญาติกันด้วยแล้วก็เป็นสามีด้วยเพราะงั้นในสิ่งที่สามีทําก็เหมือนกับตนรมนะฮะความคิดแนวนี้มันก็แบบเดียวกับเรื่องเรวดีวิมานนะฮะที่ออกอากาศไปก็ถือว่านันทญามาณพรำก็เหมือนกับตนทำเพราะงั้นเอ ก็ได้วิมานฉันก็ควรจะได้ด้วยแต่ว่าตัวเองทําบาปจะก็นําไปให้ดูในเรวดีวิมานดิศทีเคยเล่าออกาตันติดฟังของยศนก้กอกทีนี้ปรากฏว่านางเรวดีไอานางสุชาดาพอตายนั้นบ่ายครั้งแรกไปเกิดเป็นนกอย่างแต่ทำไมเกิดเป็นนกอย่างเพราะว่าในชีวิตของแกนะ่ะ เ, เอาแต่แต่งตัวเอาแต่แต่งตัวนั่งอยู่หน้ากระจกวันลงหลายชั่วโมง ก็ประดับประดาตกแต่งร่างกายอยู่นั้นแหละรักสวยรักงามเพราะ ง, งั้นก็แต่ว่าจิตใจก็ไม่สะอาดมันก็เข้าพาดิตในยางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปลี่ย่ายกินสัตว์เสพปรามีชีวิตเจีกยเช่นชนชั่วร้ายนอกนั้นนว ง, งามเออก็เกิดเป็นนกอย่างไอ้ทาสกะขึ้นไปถึงสวรรค์แล้วก็มองดูปัญญาเห็นมาได้สามคนคนหนึ่งมันหล่นไปไหนก็ ตอนนั้นก็เก่งแล้วนะฮะมีทิพย์เนตรแล้วก็ตรวจสอบดูพบว่าเป็นเกิดเป็นนกอย่างอยู่ท่านก็ไปแนะนําบอกกล่าวแนะนําให้ให้รักษาศีลห้ากอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าศีลห้านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะมันเป็นธรรมะของโลกมีมาตั้งแต่โลกเริ่มคิดได้นะเริ่มปรับแนวที่จะอยู่ร่วมกันได้ศีลห้าครั้งแรกก็เป็นกฎหมายต่อมาก็เป็นธรรม แล้วต่อมาก็ต้องกลับเป็นกฎหมายอีกเพราะคนมันหยาบขึ้นนะให้ลองดูลองดูนะว่าช้างครั้งแรกเป็นกฎหมายแสดงว่าคนหยาบแล้วต่อมาประนีตประนีตขึ้นมันก็กลายเป็นธรรมะคือไม่ต้องคุมกันเลยแสดงว่าคนสูงขึ้นเพราะต่อมาที่หลังศีลศีลห้ามันก็กลายเป็นกฎหมายอาญ า, าอย่างในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกฎหมายอาญามทั้งทั้งหมดเลยแสดงว่าคนมันหยาบขึ้นจึงต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย <S <S เอานางนูกยางนั้นมันกินปลาเนี่ยฮะ ไม่งันแกก็ตายกินตายทีนี้มันก็ทํำยังไงว่าจะเอาศีลหรือจะเอาชีวิตมันถึงจุดแล้วท่าอกะก็ไปแปลงตัวเป็นปลาตายทดลองสองสามครั้งนะฮะพอเห็นปลาตายนกย่างก็จิกกินเสร็จแล้วพอจะกินปล่ามันกระดิ่งก็รู้ว่าปลาเป็นก็ปล่อยนะแล้วก็แปลงดักอีกสองสามครั้งก็ทดลองมาเห็นว่าเป็นคนมั่นคงเป็นสัตว์ที่มั่นคงแล้วก็กลับก็ไม่กี่วันก็ตายนะฮะอยู่ได้งไงไม่ได้กิน ตายได้ก็ด้วยบุญกุศลในการรักษาศีลห้าไปเกิดเป็นลูกนายช่างหม้อเป็นเกิดเป็นลูกนายช่างหม้อเอ้มันมันเกิดระลึกชาติได้นะระลึกถึงศีล น, นี่ได้เพราะงั้นก็ไปบอกว่าชั้นเป็นคนรักษาศีลแต่คนที่นั่นเขาไม่รู้ไอศีลหมายถึงอะไรคนแถวนั้นนะฮะต่อมาท้าวอากาศเทวราช ก, ก็กลัวว่าไอนางมันจะทําบาปปรเดี๋ยวจะหล่นลงไปอีกก็เลยก็เอาไอซั์มาให้ ประกาศว่าจะให้แก่เด็กผู้หญิงที่รักษาศีลคนนันก็เสนอนะฮะพอให้เงินแต่ก็บอกไม่ถูกว่าศีลคืออะไรในสุดทิดาในช่างหม้อก็ได้ไปพ็ไดเ้เงินนั้นไปเลี้ยงตัวก็ก็ไม่ต้องทำบาปทางกรรมอะไรนะฮะเพราะมีเงินมีทองต่อมาตายอีกก็ยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์เกิดเป็นทิดาของเวปัจิติอสูร ตอนนี้ตอนนี้ได้เกิดอีกสามครั้งยังไม่ได้ขึ้นถึงสวรรค์นะเกิดเป็นทิดาของเวปจิตติอสูร เ, เวบจิตติอสูรก็ต้องการจะได้ไอลูกเขยแต่ไอ้บุเพศนิวาสเนี่ยาาาท้าวสก่าเทวราชท่านก็ตรวจของท่านเลยท่านตรวจเจ๊กขอท่านเลยนะเออบุคคลของเราตอนนี้มันอยู่ที่ไหนพอตามมาท่านก็มาเวบจิตติอสูรก็ให้ทิดาเลือกคู่ ท่าส ก, กะดถึงเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาตั้งแต่จับไอ้พ่อตาโยนไอ้ตอนนั้นยังไม่เป็นพ่อตานะฮะจับโยนลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมากันมาเนี่ยไอ้ทาส ก, กะจะมาตรงๆมาก็ไม่ได้ปลอมเป็นอสูรแก่อยากแก้ยักยันเข้ามาในหมู่อสูรทั้งหลายเนี่ยไอ้นางสุชาดาก็ด้วยบุเพศสันนิวาสมันก็แบบนางรจนาเขาระสังนะฮะก็เลยก็ เ, เสี่ยงพไรงมาลัยไปเอาท่าส ก, กัดอสูรก็โวยวายเล นิดาของเจ้านายไปเลือดของคนแ ก, แก่เป็นสามีท้าวต ก, กะแก่ๆ ก, ก็โวยวายไปไวายท้าวต ก, กะก็แสดงองค์อุ้มนางตีไอนางทุชาดาห น, นีขึ้นสวรรค์เลยตอนนี้ยกกองทัพไล่กันอุตลุดตอนนี้ก็ไล่กันตั้งแต่วันนั้นนะะทีนี้ก็ในตำนานบอกว่าเล่าไล่ไล่ไปถึงมันก็ไปข้าวไปในป่านะคงจะอยู่กันในป่าก่อนแล้วก็ไปเจอโดงนกครุฑ าาาท้าสกะกรัวว่าสัตว์จะตายก็ต้องถอยกลับไออาสูรนั้นตกใจนื่ว่าทาาา้าสกะมีกองหนุนมาก็ถอยกลับเหมือนกันนักเลงไม่แน่จริงนะพ อ, พอเพื่อนวิ่งก็ไล่เต็มเหยียดพอเพื่อนหันกลับก็ตกใจถอยหลังกลับเหมือนกันสแสดงว่าอาสูร อ, อ, อสุราแร็ว่าไม่กล้าเนี่ยทีจ่จริงก็แสดงว่ากลาดกลาดเหมือนกันต่อมามันก็รบกันด้วยแต่เหตุให้รบนั้นมันก็หนึ่งเวลาคราวดอกปริชาติบานนะ ดอกปริชาต์มันบานดอก อ, อ, อะไรนะเขาเป็นดอกไม้สวรรค์เขานะเป็นดอกไม้สวรรค์ท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินพอดอกไม้นี่บานแะล้วเท้าอสูรนี่มาแคนหลายเรื่องอ่ะท้าสกะมันหักเกลี่ยมกันหลายคราวหักเกลี่ยมกันด้วยแล้วก็รบพายกกองท้าไปรบก็เปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะท้าสกะท่าก็ขี้เกียจจะรบอะ่ะตัวมันก็เกรงใจอันนี้มันเป็นพ่อตาไปแล้วไม่รู้จะรบกันยังไง ก็เลยก็สร้างรูปท้าสกัดปลอมไปดักไว้ในที่ต่างๆตามให้พวกอะสูนบางทีก็หนีไปนึกว่าท้าสกาดัดเสด็จออกจริงแต่พวกเทวดาเองก็ชักจะปลอดปอดเหมือนกันคือไม่ค่อยกล้ารบกับกสูนเท่าไหร่รบกันบางทีก็เกิดหวาดกลัวหวาดกลัวก็วิ่งหนีเอดือ้อเสียขบวนนะฮะเสียขบวนทับทําให้ทัพเทวดาแตกมันก็เสียเหลี่ยมเทวดาอีกท้าสกัดก็เลยต้องประชุมใหญ่ก็ ชี้แจงว่าวิธีที่จะไม่ให้กลัวก็คือต้องมองดูให้ดูทงดูทงเท้าไอ้เทวดาสามองค์ฮะคือในในสวรรค์เนี่ยถ้าเราดูไอ้ตามตามที่ท่านว่านะฮะนับความยิ่งใหญ่กันในด้านตําแหน่งหน้าที่ก็คือตําแหน่งหน้าที่นะฮะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขานับยิ่งใหญ่กันด้วยรัศมีรัศมีใครมากรัศมีใครน้อยเนี่ยมันก็ดูกันที่รัศมี มัณจอมเทพผู้ใหญ่คือประชาบดีเทพประชาบดีเทพนี้ถ้าตามตำนานเทวนิยายนะฮะเทพานิยายเนี่ยเป็นเทพเจ้าก่อนทศ ก, กะเป็นเทพเจ้าที่ใหญ่มากคือใกล้ๆกับเป็นเป็นมีฐานะพอๆกับพรหมในยุคหลังประชาบดีเทพนี้ใหญ่อาวุธรุณเทพนั้นก็คือพระพิรุณเทพเจ้าของฝน แต้แท้จริงมันเป็นจาตุมหาราชนะฮะคงจะมาในกองทัพด้วยท่านก็เป็นเทวดาแล้วก็ต่อไปก็อีสานเทพอีสานเทพนี้ไม่เคยได้ยินชื่อนอกจากไปในเรื่องนี้ว่าท่านจะใหญ่โตขนาดไหนดูแล้วน่าจะเป็นเทพเจ้าประจำภาคอีสานาภาคอีสานก็เป็นจาตุมหาราชพระจาตุมหาราชนั่นก็เป็นลูกน้องของ พอินนะฮะแล้วก็ท้าสกะเทวราชเองท้าสกะเป็นเทพปเจ้าในยุคหลังยุคหลังาาประชาบดีเทพตามตำนานเทพนิยายนะฮะคือโยมอยไปติดใจว่าจริงไม่จริงนะมันจริงตามเทพนิยายเอ่อก็แสดงว่าถ้าเรามองกันในแง่ของประวัติศาสตร์การมีสัญญาณเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าใครเป็นผู้นํา พับนั้นคือการใช้ธงเป็นสัญญานั้นก็คงจะมีมาแต่โบราณแต่การที่มาในเทวศูนย์สงครามในเรื่องตำนานการรบระหว่างเทวดาการศูนได้นั้นแสดงว่าเราก็มองย้อนไปสู่อดีตที่ไกลทีเดียวว่ามีธงเป็นสั ญ, ญลักษณ์แล้วก็เราก็ถือธงเป็นเครื่องหมายมาตลอดนะฮะตกวันทหารในปัจจุบันที่รบการคนถือธงก็สําคัญโดยเฉพาะธงชัยเฉริมพลเกิดล้มแล้วเกิดหกักแล้วก็ทหารก็เสียขวัญหมดเพราะขวัญไปอยู่กับธงเหล่านั้น แสดงว่าก็มีจุดร่วมในการที่จะทํางานให้นึกว่าหัวหน้ายังอยู่มันก็เกิดความโมโผนใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าเองไม่ได้ปฏิเสธให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะว่าพระพุทธเจ้ายอมรับในขั้นหนึ่งแต่ก็ปฏิเสธในขั้นหนึ่งเพราะเป็นความไม่แน่นอนยอมรับว่าทสกัเทวราชที่ประกาศให้พระเทวดาทั้งหลายทราบว่าเมื่อความเกิดความหวาดกลัวเกิดความสะดุ้งเวลาออกสู่เทวศูนย์สงครามเนี่ย ถ้าวันตกใจขึ้นมาอย่างนั้นก็ให้มองดูทงของเทพทั้ง4อย่างที่ว่าแล้วนี่องค์ใดองค์หนึ่งนะฮะในประสูตร์แสดงว่าเมื่อดอกมองดูทงของประชามบดีเทพแล้วความหวาดความกลัวความสะรุปอาการขนพองสยองก้าบก็จะหายไปนะถ้ามองดูทงประชามบดีเทพแล้วยังไม่หายก็ให้มองดูทงของวรุณในเทพนะก็ว่ามาโดยลําดับคือหมายความก็ซ้ํากันสองครั้งให้ดูซะก่อนดูแล้วจะหายถ้าไม่หายก็ดูใหม่ดูอีกองค์หนึ่งนะฮะ ไม่ใช่ดูซ้ำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไอการที่เทวดาไปดูทงของจอมเทพทั้งสี่นั้นบางครั้งก็หายหายได้นะฮะแต่บางครั้งก็ไม่หายหรอกทำไมจึงไม่หายเหตุผลมันก็มีอยู่สองเหตุผลเหตุผลแรกภายในจิตใจของเทพนั้นก็มีความสะดุ้งอยู่แยะมีเหตุมีปัจจัยเป็นเหตุให้สะดุ้งอยู่แยะเหตุประการที่สองก็คือตัวเจ้าของทงเองก็ไม่ได้กล้าหาอะไรเท่าไหร่นะฮะ คือยังมีเหตุมีเหตุเป็นมีปัจจัยเป็นเหตุให้สะดุ้งมีปัจจัยเป็นเหตุให้สะดุ้งอยู่คือภายในใจของท่านก็ยังมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่มันก็เกิดหวาดเกิดสะดุ้งแล้วท่านลองสังเกตนะฮะว่าไอ้ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสะดุ้งที่มีคนเคยมาถามพระพุทธเจ้าตอนพระองค์ัำเพ็นเพียรอะไรนฮะว่ามีความหวาดมีความสะดุ้ง มีขนพองถอยก้าวไม้อยู่ป่าคนคนเดียวโดดเดียวอย่างนั้นพระุทธเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่ภายในไม่ได้อยู่ที่ภายนอกปัญหาไอ้ปัปจจัยเป็นเหตุให้สะดุ้งหรือมันมีหรือเปล่าเช่นว่าคนที่มีราคะในอารมณ์ทั้งหลายจัดหรือว่า ต, วตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ว่าท่านแต่งตัวธรรมดาสามัญเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเครื่องประดับทองหยองอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เดินธรรมดาสามัญนะฮไม่ไม่ไม่กี่วาดกลัวนะ ทำไมไม่เคาหายหวาดกลัวเพราะไ ม, ไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมากลัวสมมุติว่าเจอโจนเจอกรโมนก็ไม่รู้มันจะลดอนออะไรยังว่าพระไปไปไหน ท, ที่จริงพระก็มีกิเลสนะนอกจากองค์ที่มีสตางในย่ามนะ่ะ <c ười> คือถ้ามีไม่มีสตางในย่ามเราก็ไม่รู้จะกลัวอะไรนะย่ามอาท๋ที่จะอ้อะไรก็มีแต่สุดชีพันมีแต่แปรงชีพันนะ่ะ <c ười> มีแต่ผ้าเจ็ดหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอ า, เอ า, เอ า, เอาไปสิเราก็ไม่หวาดสะดุงนะ้งมันก็อยู่ที่ว่าปัจจัยภายในว่าเหตุให้สะดุงนะ้งเนี่ยมีไหม ถ้าว่าเหตุให้สะดุ้งยังมีอยู่คนมันก็สะดุง้งเพราะในเท้าสะกะเองท่านก็มียัง ม, งมีเป็นห่วงเป็นยายยังจะวิ่งไล่จอกจอกจอก็วิ่งไล่นางสุชาดาจอกก็นี่แกก็ยังมีราคะมีโลภะมีโทสะอยู่นะฮะยังยจะใเมื่อยังตกอยู่ภายใต้หน้าของกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้สะดุง้งมันก็ต้องมีเพราะท่านเองบางครั้งทั้งก็สะดุง้งบางครั้งตังงก็หวาดกลัวงั้งก็ขนพองสยองกล้าคล้ายกองทัพเนี่ยฮะถ้าแม่ทัพเองอ่อนไหว มันก็คุมทัพมาอยู่อ่ะทีนี้ถ้าวสกะเองเมื่อไอเหตุปัจจัยให้อ่อนไหวยังมีอยู่ท่านก็ต้องอ่อนไหวในบางโอกาสอ่อนไหวครับบวรมันก็เสียทัานก็บวชได้เหมือนกันท้าวรุณเทพเท้าประชาบ ด, ดีหรือว่าอีสานเทพก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่บางครั้งหายได้นะฮะคนเราไม่ได้กลัวเสมอไปบางครั้งก็มีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งเด็ดเดียวบางเกิดขึ้น ก็ให้ความอบอุ่นใจแก่ลูกน้องได้นะมองไปเห็นทงยังมีอยู่นี่แสดงว่าลูกพี่ยังไม่เป็นไรจิตใจมีขวัญมีกำลังใจบังเกิดขึ้นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้นะให้ลองสังเกตว่าสิ่งทั้งหมดนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธไม่สาหัสสากันแล้วไม่ปฏิเสธเราจะลืมาโลกไม่ได้มีมาเพียงสมัยพระพุทธเจ้าโลกมันมีมาตั้งกี่พันล้านปีแล้วไม่รู้ สิ่งเหล่านั้นบางยุบบางสมัยไม่ไดมีศาสนาอะไรแล้วทาไมเขาอยู่ได้ล่ะก็ต้องมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวเพราะงั้นเราปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันเป็นให้เป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวเป็นให้ขวัญให้กําลังใจเขาในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งนะอย่างที่เคยบอกว่าแม้แต่การนับถือภูเขาต้นไม้จอมปลวกไอเจดีอะไรต้นอะไรพระพเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกคนไปพูดโดยเองอะ่ะพระเจ้าปฏิเสธเพียงสามสถานะเท่านั้น ก็ชจริงไอ้ความนับถือสิ่งนั้นไม่ได้นับถือสมัยเราแต่จะมานับถือมาก่อนนั้นตั้งไหนไหนแล้วคนก็อยู่กัมาได้อย่างไงเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเลยก็ต้องมียึดเห น, นี่ยวสิฮะมันก็ต้องช่วยได้ในชั้นเนี่งพระพุทธเจ้าปฏิเสธในชั้นสูงสุดเท่านั้นนะฮะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดไม่สามารถช่วยหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนะไม่ทั้งปวงอย่าลืมมาทั้งปวงนะใช่คำว่าทั้งปวงถ้าไม่ทั้งปวงก็อาจได้นะมันกก็็ไไดด้้ออออยยยู่่่บบาาางงงงยู่ ว่าในการมองทงเทาจสา ก, กเทวราชบางทั้งก็ได้ยังไมกลัวบางทั้งก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อย้อนกลับมาที่พุทธบริษัทใช้คำว่าพิกาโวนะฮะพิสุทั้งหลายแลอพิก เ, ก ว, พกเกวพิกาโวพิกาเวก็ได้โดยความหมายแล้วถ้าใช้คำนี้นะฮะไม่จำเป็นว่าคนฟังจะต้องเป็นพระ ประยังแสดงหมหาสติปัฏฐา น, นสูตรที่ที่ที่เราอบรมกันอยู่นี่ที่จริงชาวบ้านนะชาวบ้านทั้งชาวบ้านทั้งพระมานั่งฟังพระพุทธเจ้าใชา้คำว่าพิกเวยเหมือนกันพิกเวยจึงหมายโดยความหมายแล้วแปลว่าผู้เห็นภายในสังสารวัตรทั้งหลายนะฮะแปลว่าผู้เห็นภา ย, ย, ย, ยในสังสารวัตรทั้งหลาย ใ, ใครก็ตามที่มองเห็นโทษเห็นภัยในการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ในโลกก็เห็นภัยในสารวัตก็ชื่อว่าเป็นพิฆุในความหมายนั้นเป็นสัพพนามเรียกคนกลุ่มคนที่นั่งอยู่นั้ น, น, นเองนะฮะอาจจะมีชาวบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเนรก็ใช้คำรวมลงไปพิกโบมันไม่ใช่ภาษาที่เขาปราศัยทางไอสถานีวิทยุ สวัสดีพี่น้องประชาชนนิตนักเรียนนิตศิษย์นักศึกษาขา้าราชการทหารตำรวจพ่อค้า น, นยายธนาคารภาษาลีเกแล้วอย่างเงี้ยภาษาลีเกกล่าวถึงมูลนิธิสีดาบทองค์พระนักพรตประสิทธามาแล้วก็เดินมาก็ดําเนินมานกคลๆยคลาพูดตั้งวาสีเดินได้สองคำมันมันก็มันไม่มีความจําเป็นอะไรไม่มีความจำเป็นอะไ ร, ไะไรก็พูดไปเลยนะพระพุทธเจ้าท่านใช้คํากระชับอย่างนี้ยแต่ว่าคนฟังนั้นหลายหมู่ พระพุทธเจ้าจะต้องใช้คำเรียกคนทุกคนก็จบเลยนะเข้าไปครึ่งกันนะเราจะเรียกจบมีคำรวมๆก็ใช้คำว่าพิกโวหรือพิกเวบอกว่าถ้าเกิดอาการขนพองสยองกล้าวเวลาอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะให้ระลึกถึงพระพุทธคุณระลึกถึงแบบนี้แบบอิบติปิโสปกาลังสมาสมุทโทิช า, านะสัมโน ย, ยที่สว่วนการเนี่ยระลึกถึงในแนี้ พูดถึงบรรเทาความหวาดความสะดุ้งนะพูดระดับระดับพื้นฐานสังคมนะฮะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จะพูดระดับสูงขึ้นไประดับสูงขึ้นไปเป็นเรื่องของนุสติมันคนละชั้นกันนี่พูดระดับธรรมนาระดับขวัญระดับกําลังใจมีตํานานมีนิทานมีบุคคลเยอะเรื่องราวเยอะนะฮะที่เกิดปัญหาหวาดกลัวสะดุ้งขึ้นมาแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอิทีปิโสพระกวาลูกเดียวนะฮะบางทีกน็นโมนโมนโม ไปไม่รอดอะนโมอยู่ตัวเดียวก็ยังยังยังเกิดความสงบได้อันนี้เราเอ่อมองในด้านตํานานนะด้านตํานานความเป็นมาที่ท่านเล่าถึงว่าลูกของอุบาสกไปเล่นอะไรโยนครุปก็ここเรียกโยนคลุปไปโยนยังไงมันคงสรุปว่าคงใกล้ๆกับอะไรอะโยนหลุมอะใล้ๆโยนหลุมอะเรียกว่าเล่นเล่นเล่นโยนครุป ก, กันเ อ, อ่ออันนี้มันต้องว่านโมทุกขีเก็บน้ำใจยโยน ปรกฏมันเล่นชนะเพื่อนมันเล่นชนะเขาได้นี่ก็แสดงว่ามันก็ช่วยทำไมถึงช่วยนะเรามองในแง่ของของผลคือใจมันรวมใจมันรวมมีสมาธิดีนะนโมเสก่อนทุกทีเวลาเจยโยนนะอันนี้ในชั้นของการป้องกันอันตรายท่านก็เล่าถึงพ่อกับลูกสองคน เ, เป็นคนตัดฟืนนะครับ เป็นคนตัดฟืนแล้วก็ไอ้โคมันหายไปพ่อก็ไล่าตามโคไปประกวดพราะโคลหลุดเข้าคอกคือเข้ากำแพงวังเข้ากำแพงเมืองไปก็ตามไปถึงออกมาไม่ได้ประตูปิดไอ้ลูกชายก็คว้ า, าฟืนก็อยู่กลางป่าชาเนี่ยพอตกกลางคืนก็หิวหิวก็นอนแล้วไอเ้เด็กเด็กเนี่ยแกมีได้อย่างเดียวนโมตสาตัวตัวสมานสมุทตะนโมตส า, านั่นอย่าลืมนะฮะ คือระลึกถึงพุทธคุณโดยย่อรลึกถึงพุทธคุณโดยย่อส่วนอิทธิพิโสนั้นก็พิจารขึ้นไปก็ท่านั้นเองเหมือนกันนะฮเขาบอกก็มีสุรกายสองตนมาจะกินก็ก็ห้ามเพื่องเพ่นหนึ่งห้ามไม่ให้กินอันนี้ก็อยากจะกินก็ข้าไปถึงก็จับขาเด็กเด็กก็สะดุ้งนะฮะสะดุ้งแทนที่จะว่าอย่างอื่นแก่าน้โมด้วยอานาจของพุทธานุภาพเนี่ยทไอ้นี้ต้อง กระเด็นออกไปเลยเพราะจับอีกก็กระเด็นอีกก็เกิดชอบเกิดสนใจเสื่อตาขึ้นมาเห็นเด็กขิวก็ไปขมโมยอาหารในวางมาให้กินรุ่งกิจช้าก็ตามหากันใหญ่ของในวางหายก็ไปเกิดว่าเด็กกินนะฮะเรื่องจนนี้จนถึงพระกุฏิเจ้าแล้วพระเจ้าก็ยอมรับรับรองให้ว่าเหตุการณ์เป็นเรื่องของเทวดาเอาไปให้กินไม่ได้ไม่ไม่ใช่เด็กมาขามโมยของในวางไปกินนี่ก็แสดงถึงพุทธานุภาพระดับ ะะระดับที่คุ้มครองป้องกันนะระดับแบบอธิษฐานระดับแบบอธิฐานนางมหาสุภพธาลูกสาวขท่านนาตบินทิกะเศรษฐีนะฮะพี่สาวสุมณเทวีท่านเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบันแล้วก็แต่งงานไปอยู่ในตระกูลวิชาทิฐิเหมือนกับนางวิสาขาแนนเดียกนางวิสาขาะะแต่ว่าอยู่ไกลมากเอ่อ ในตะกูนั้นเขาก็นับถือพวกอาเจรกเบืองนักบวช น, นอกนอกพุทธศาสนานางหมาสุภธาท่านก็ไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่าท่านบอกว่าก็สู้ส ม, มณะของท่านไม่ได้เมื่อสอบถามท่านก็บอกเล่าเรื่องความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้วิธีอธิษฐานนะฮะแกบอกเอาถ้า ง, งั้นท้าทายกันนะ ก็มันอยู่ไกลกันมากอยู่คนกันห่างกันเยอะท้าถ่ายกันว่าให้นิมนต์พระพุทธเจ้ามาให้ได้โดยโดยไม่ต้องไปนิมนต์นางก็นั่งอธิษฐานอะไรฐานแล้วก็โยงพนโยนพวงมาลัยขึ้นไปบนอากาศก็นิมนต์รพระพุทธเจ้าพระเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เสด็จมาเออก็เป็นพุทธานุภาพที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ปราบปรามพวกมิจฉาทิฏฐิแถบนั้นก็เรียบไปอันนี้ในระดับขวัญกำลังใจในระดับของการ สาธยายของการภาวนาของการป้องกันอันตรายแบบบ้านๆนะฮะระดับแบบบ้านๆหรือแบบสาธยายโดยทั่วไปซึ่งเป็นการเชื่อเห็นว่าพุทธานุภาพนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ระดับอนุสติอย่างเดียวอนุสติมันระดับกรรมฐานสูงขึ้นไประดับพื้นฐานดางังล่างลงมาระดับที่พรเรียกภาวนาให้เกิดความส ง, งบ หรือว่าอย่างที่เคยเล่าว่าสามเณรเสกอน้นํามนต์ด้วยน้ำโมเดือดได้นะฮะก็เป็นเรื่องของความเชื่อพระพุทธคุณนั้นอยู่ที่การเชื่อมัน่นในพระพุทธคุณเพราะลักษณะเหล่านี้มันก็อยู่ที่อะไรอสัจฉามาลามันตามน์มีการไม่ท่องบนเป็นมนทินคนะือมันก็ต้องท่องบนบ่อยๆต้องสาตยายบ่อยๆจึงเกิดเป็นพุทธานุภาพขึ้นมาได้พระพเจ้าทรงรับรองว่า สามารถไขจันไขจัดความหวาดกลัวการขนพองเสียงกร้าวต่างๆที่เกิดขึ้นจะเพราะเหตุอะไรก็ตามลงไปได้ได้แง่ผลด้านต้องมองในแง่ผลนะฮะไอ้แง่พุธานุภาพนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะสัมผัสเองแต่ในแง่ของพฤติกรรมเราจะเห็นว่าจิตมันหักจิตมันหักมาก่อนเรากลัวเราก่อนนึกถึงกลัวจะมานึกถึงผียิ่งนึกถึงยิ่งกลัวนะฮะ ยังนึกถึงยิ่งยิ่งกลัวบางทีก็นั่งอยู่ดีดๆกูวิ่งไปถึงก็กลุ่มโปงเลยกลุ่มโปงเลยแล้วก็ก็ก็ปรับตัวเองใหญ่เลยเพราะเรานึกถึงเรื่องเดียวทีนี้มันก็หักหักออกมาระลึกถึงพุทกุลถึงพุทธคุณภาษายตยไปแตยยายไปความนึกถึงผีมันก็จางลงจางลงจางลงจางลงมันก็ในที่สุดก็หายไปมองในแง่ไม่เป็นพุท ธ, ธานุภาพมันก็เป็นอุบาวิธีทํานองอะไรฮะทำนองนับหนึ่งถึงสิบนะฮะแนวเดียวกับนับหนึ่งถึงสิ ที่เขบอกว่าเวลาโกรธขึ้นมานับหนึ่งถึงสิบเก่อนถ้านับหนึ่งถึงสิไม่หายก็นับหนึ่งถึงร้อมันเป็นการหักเขหัหกเขจิตซึ่งถูกไอ้โทสะมันกระตุ้นอยู่นี่แล้วหักออกไปนั่งนับเจโทสะมันก็ไม่ได้กระตุ้นมันมันมันไหลมามันก็แยๆกองไฟมันมันลามมาแล้วก็เราก็ไม่ได้เชือ้อมันก็มออมมอม อ, ม อ, มอกระดับไมองเป็นในแง่วิชาการปัจจุบันแนะง่จิตวิทยานะฮะจำนวนจิตวิทยาก็เป็นจิตวิทยาวิธีหนึ่งในแง่ของอนุภาพมันก็เป็นอนุภาพซึ่ง เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องสัมผัสด้วยตนเองนะฮะอย่างที่เคยเล่าฟังว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนี่ท่านไปนั่งสมาธิอยู่หน้าประกันตะกดีของพระพุทธเจ้าที่ปเชตะวันนะไปเที่ยวอิเาีีไปนั่งสมาธิพอก้มลงกตาบ่มีความรู้สึกด้วยตัวเองว่ามีชายจีวรลากผ่านมาจากหลังมาถึงหัวเลยมันก็รู้สึกได้ด้วยตัวเองเพราะงั้นพวกเหล่านี้มันก็อยู่ที่เราสัมผัสนะฮะ เราสัมผัสโ ด, ดยการสาธยายการสวดอะไรต่ อ, อะไรของเราเองแล้วอนุภาพเหล่านั้นจะช่วยมันก็เป็นปัจจิตังเวดิตาโบวิญโยหีระดับหนึ่งเหมือนกันนะคือข้อที่วิญโยชนจะรู้ได้เฉพาะตนประการหนึ่งเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงรับรองไว้ว่าขจัดปัดเปล่าความหวาดความกลัวได้แต่อย่าลืมว่าความหวาดกลัวนะั้นมันเกิดจากกิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งของเราเองก็คล้ายๆกันอย่างเนี้ย เรียกว่าคนมีปัญหามากมันก็สะดุ้งมากปัญหามากมันก็สะดุ้งมากเหมือนกับคนที่มีปัญหาไปทําผิดอะไรเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมามก็สะดุ้งก็แสดงว่ามีปัญหาในหัวใจถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็ไม่สะดุ้งเราก็เป็นผู้กล้าหาญในสถานที่เหล่านั้นได้สิ่งที่จะต้องแก้ในระดับลึกลงไปก็ต้องแก้ที่ใจแต่ระดับพื้นพื้นมันก็อาศัยการสาธยายดังกล่าวแล้วแล้วก็สรงแสดงว่าถ้าสาธยายพุทธคุณ แล้วก็ยังไม่หายสดดุง้งก็ต้องลึกถึงพระธรรมระ่าขคาตัวภคตาธรรมโมนะฮะพระธรรมมันพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วสันนิติโกนผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเอชิปัสโกควรเรียกเข้ามาดูพันชมได้อุปนิจโกควรน้อมเข้ามาวัจจต่างวิริตโบวินยุชิอันวินยุชนพึงรู้เฉพาะตนก็าสาธยายไปบ่อยใจก็จะสงบอยู่ที่นั่นนะฮะธรรมะจะขจัดภัยนะ แล้วเราก็มาอะไรล่ะในสมัยที่หลังๆเนี่ยที่เราพุทธสบูชามหาเตชะวันตัวนะธรรมพุทธสบูชามหาเตชะวันตธรรมัสสบูชามหาปัญโยน ะ, ะสังคัสสบูชามหาพววโพกระบอะไรเนี่ยแล้วก็ยอดๆนะคนไทยชอบลงทุนน้อยๆนะแต่ต้องการได้มากๆบูชาพระพุทธเจ้าสองคำนะขอให้มีเดชเนี่ยนะก็ <laughs> อันนี้เขาก็มั่นในระดับระดับขวัญกำลังใจทำขนาดนี้มันก็ได้ขนาดนี้นะฮะตามสัดส่วนของเหตุทำระดับอนุสติมันก็สงบนิวรนนะ์ทำระดับสวดมนต์สาทยายจิตใจก็สงบทำระดับภาวนามันก็ระจัดความวัดกลุมก็แล้วแต่จะใช้ในชั้นไหนถ้า เราลึกถึงคุณของพระธรรมแล้วยังไม่หายกลัวหายสะดุ้งนะฮะยังกลัวยังสะดุ้งอยู่กระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ตามนัยยะของพระสังคคุณที่เราสวดกันนะฮะภาษาังคคุณที่เราสวดนั้นให้สังเกตประการหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติที่สมบูรณ์ะะถ้าสมบูรณ์จริงต้องเป็นพระระยาบุคคลเพราะแต่ละข้อมันสาหัสการเกินในสี่ข้อแรกสุปฏิปันโน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 เนนายเหนืออะไรนายเหนือกิเลสความสมบูรณ์ในสังคุณฐสี่บทเนี่เรื่องใหญ่นะสังกัณฐสี่บทนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นอาตมาเคยถ้าท่านานั่งคงจะไม่เคยฟังนะตอนตอน้ตนๆที่มาบรรยายทางธรรมบรรยายที่ทาญญาทยานเกล อ, อกรุณาหมานะวโอคำเดียวนะพูดอยู่สิบเอดเดือนนะจบพูดิบเอ็คือต้องจบเะเดือดมันมันยังอีกเยอะเลยกัน กลวจะถึงปีไปจะทําสถิติมากมกปไนคารุณามหานโวคลคเดียวนะฮะที่เราสวดพุดโทโธสุสโธกรุณามาโนโคลรุณามาโนโคลคเดียวพูดอยู่11เดือนเรื่องเยอะออทีนี้ตัดสังกคุณเนี่ยพระอ า, า, าจารย์อธิบายว่าสุปฏิปันโนก็หมายถึงระดับที่สมบูรณ์นะฮะต้องเป็นพระโสดาบันอุจุ ป, ปฏิปันโนที่สมบูรณ์จริ ง, รงๆก็ต้องเป็นพระสกิทาคามี ญายาปฏิบัโนที่สมบูรณ์ก็ต้องเป็นพระนาคามีนะฮะที่สมบูรณ์เดี๋ยวก็มันระดับลดหลั่นนะก็เรียกว่าระดับหยากระดับกลางระดับประณีตก็สามีจีตปฏิบั诺ปก โ, โ, โตสาวสังกูก็ต้องเป็นพระหรันเพราะงั้นในคำสวดต่อไปให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าท่านท้าคำยะ ด, ดีดงังนี่คือใครกันจะตาริปุริสกวนนี้คู่แห่งบุรุษสี ปุรีคือในอัฏฐบริสุภุกลาได้แก่บุรุษบุคคล8เอสสะภควาโตสาวกสังโค น, นี้หมู่สาวกของพระผู้มีพระเจ้ารางครั้รงสังโค น, นี้เราแปลว่าหมู่ก็ได้นะท่านในที่นี้ท่านจะเห็นว่านั่นก็ครูมหมดทั้งชาวบ้านชาววัดเพราะสาวกสังโค น, นั้นมีทั้งพระทั้งการวัดสาวกสังโค น, นี้มีทั้งพระทั้งการวัดไม่ได้มีเฉพาะพระนะฮะ สาวกของพระพุทธเจ้าก็มีคือคือพุทธบริษัททั้งสเพราะงั้นเอตต ะ, ะคะสาวกจึงมีทั้งภิกษุภิกษุณีบาสกบปฏิกาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคํานี้จึงดูแล้วก็หมายถึงหมู่นะฮะเราไม่ได้แปลพระสงฆ์พอถึงตรงนี้เราแปลเป็นหมู่ไปเลยสังโคแปลว่าหมู่ก็ได้แปลว่าสง์ก็ได้สง์ก็คือหมู่นะหมู่ก็คือสงสงมันทับศัพท์ไเฉยๆเป็นภาษาทางก็เรียกภาษาทางวิไนาภาษาทางวิไน ภาษาทางธรรมะภาษาทางธรรมะความหมายกว้างกว่าภาษาทางวินยัยถ้าภาษาทางวินยัยเราหมายถึงต้องบวชนะฮะเราต้องรู้ว่าภาษานี้ใช้ในความหมายของทางไหนล่ะถ้าทางธรรมะก็ไม่ได้หมายถึงผู้บวชเสมอไปแต่ถ้าทางวินยัยเราต้องบวชจํานวนเท่านั้นองค์ตอนนี้องค์อะไรแต่นเนี้ยเราพระเราในแม่ภาษาธรรมะเองแหมแต่แต่องค์เดียวก็เป็นทงนะฮะเช่นพระ ัญญากลัญญาบวชองคแรกก็เรียกว่าษากรัตนาเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกก็องค์เดียก็องค์เดียแต่นั้นเองไม่ใช่4องค์ที่ไหนนั่นคือภาษาเรียกภาษาพระสูตรนะภาษาทางพระสูตรหรือภาษาทางธรรมะกับภาษาทางวินไนน์นั้นไม่เหมือนกันความหมายไม่เท่ากันถ้าวินัยและบีบเลยบีบแค่นี้นเดียวเฉพาะพระเฉพาะสามนเณรและอาบัติที่จะปรับเนี่ยปรับเฉพาะพระที่บวช ด, ด้วยวิธียติจตุตักรรมนะ ราที่บวชไอรุ่นก่อนสองสองรุ่นวินัยปรับไม่ถึงไม่ได้ปรับท่านนี่ก็คือความหมายทางวินัยทีนี้การลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นมันก็ขจัดได้เช่นเดียวกันเหตุผลปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธเจ้ากด็ดีพระธรรมกด็ดีพระสงฆ์ก็ดีนั้นท่านใช้คำว่าไม่มีกิเลส น, นะฮะ ไม่มีอสวะไม่มีพวกราคะโทสะโมหะอยู่ภายในถึงกิเลสเป็นเหตุให้สะดุ้งสําหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่มีได้ทังทึ้งท่านต่างหลายก็จะเห็นนะฮะว่าพระพุทธเจ้าช้างพุ่งมาจะแทงก็ประทับยืนเฉยนะก็กริ่งหินลงมาก็ประทับยืนเฉยนายไอโจนงลิมานไล่ก็ประทับเดินเดินเฉยอย่างงี้นึ่งไม่ไม้ใดสะดุด้งเพราะกิ น, นกิเลสเป็นเหตุสะดุง้งไม่มีความสะดุ้งมันก็อยู่ที่ ที่เรามีหรือเปล่าอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยดูในชีวิตของเราก็ได้ว่าที่เรากลัวในทำไมยังกลัวกลัวไปทําไมสมมติว่าโจนจะปล้นแล้วเราไม่มีอะไรพล้นก็ม่ยังกลัวอะไรมันก็อยู่ที่เรามีของก็ปล้นหรือเปล่าหรอถ้าเรามีของก็ปล้นมันก็น่ากลัวหน่อยแต่เราไม่มีเราก็ไม่กลัวอะไรหรือว่าเขาจะมาจับผู้ร้ายนะเราไม่มีความผิดน้อก็จับก็จับไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็นั่งเราก็นั่งเฉยๆเขาจะทําอะไรไปเราก็ไม่หวาดไม่สะดุ้งนี่ก็ดูกันได้ในชีวิตประจำวันว่า ตัการสาคัญจริงๆมันอยู่ที่ใจคนนะใจคนที่มีปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาอะไรมากมายภายในใจนั้นถ้าหากว่ามีปัญหามากในความบาดความสะดุกมันก็เกิดขึ้นมากแต่ถ้าปัญหาเหล่านี้น้อยก็มั่นมั่นคงกว่าระลึกถึงพุทธคุณสัมคุลสังคุณนะฮะถ้าหากว่ากิเลสเราน้อยเบาบ า, บางลงไปความบาดสะดุกมันก็จางลงไปโดยไม่จำเป็นจะต้องภาวนาอะไรแต่ถ้าชั้นหนึ่งที่ยังจําเป็นอยู่ เรายังไม่มีหลักมั่นคงภายในใจอยู่ก็จําเป็นจะต้องอาศัยยึดเหนี่ยวสิ่งเหล่านี้เอาไว้เมื่อก่อนมันก็มีหลายอย่างโดยเฉพาะคือพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณนั้นท่านต่างหลายจะเห็นว่าโบราณนี่เอาจริงนะฮะอิทีพิโสแด้านอี 8, ทีพิโสแทิศภาวนาถอยหลังโอ้โหมันก็เป็นคาถาเป็นตักๆั ก, ต, ก, ต, กตักเลยเอาวางสับหน้าสับหลังนะฮะสับหน้าสับหลังบางทีก็เอาเฉพาะหัวใจอิสวาสุภาวนากันเยอะจริงๆตัวอิติพิโสเนี่ย แล้วทุกงานนะให้เราสังเกตว่าเราจะไม่ขาดเลยไม่ว่างานมงคลเอาไปมงคลอะไรแต่ไรงานตายฮะอิติปิโสกว่าต้องไปตอนถวายผรพระตอนตอนถวายพรพระก่อนจะพาหุ่งเราต้องขึ้นอิติปิโสกว่ะในงานมงคลนั้นไม่ต้องพูดนะฮะเพราะเราจะต้องสวดถึงตรงนี้อิติปิโสกวานี่ต้องสวดแต่การสวดก็อาจจะสวดอยู่ได้สองทางคือสวดก่อนจะพาหุ่งก็ได้สวดก่อน ตอนจบขันทบปริตก็ได้ก็แล้วแต่จะสวด ต, ตอนไหนแต่เนื้อความเต็มๆนั้นนะฮะจุดประสงค์ในระดับสวดในชั้นนี้สวดเพื่อขจัดทุกภัยโรคอย่าลืมนะฮะสวดเพื่อขจัดทุกภัยโรคเท่า น, นั้นเองไม่ใช่เป็นการแสดงหรือว่าเป็นการกระทาระดับสูงส่วนระดับสูงแสดงไว้ในที่อื่นในที่นี้เราก็ดึงเอาเฉพาะพระสูตรระดับเรียกว่าระดับครองเรือนครองสุข เพื่อให้คนได้มีทุกข์น้อยลงนะฮะมีภัยน้อยลงมีโรคน้อยลงโดยอาศัยอนุภาพของพระปริทธิอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระรัตนใจแต่ว่าผลจะเกิดนั้นมันก็ต้องเป็นกิริยาปฏิกริยาเป็นตํานองการให้ศีลให้พรถ้าเราทําตามศีลตามพรได้มันก็ไปได้นะแต่ถ้าเราไม่ทําตามศีลตามพรหรือไม่สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดตามศีลตามพรไ อ, พอร้พรนั้นมันก็ ไ ม, ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาในการสวดสาธยายเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันมักจะลงว่าโสติเตโหตุสะปดาเน่ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านนะแล้วท่านไปรลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้บางทีเจ้าป้าไปลบอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็ไอการจะต้องการให้เกิดไอสวัสดีมงคลอะไรต่างมันก็มีกำลังมีพะละกำลังน้อยลงไปแต่ถ้าเราใช้อย่างไงอย่างไงเนี่ยไม่มีอะไรามานึกว่าในในแต่ละวันเนี่ย ไม่มีไรตั้งน้ำโมสามจบนะอิติปิโสสวักขาตัวสุปฏิปโนแล้วก็แผ่เมตตาหน่อยก็นอนก็ก็จะสงบใจขึ้นเยอะนะฮะไม่ก็ไม่สรุปแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยไม่เกินห้านาทีอ่ะก็คงจะไม่ค่อยขาดทุนอะไรท้งหลายถ้าวารตั้งใจตามนี่ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าสามารถขจัดปัดเป่าความหวาดความสะดุ้ง เกิดขนพองเสียงกล้าวอันตรายหรือภัยอันตรายต่างๆแต่ว่าในประสุตร์อื่นยังมีที่มันมันมันมีนมอานุภาพมากกว่านั้นนะฮะมีอานุภาพมากกว่านั้นแต่ในที่นี้แสดงเพียงว่ากระจัดความหวาดกลัวเท่านั้นเองก็ได้แสดงมาก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่จุดนี้ก็ขอราตนาคุณพระศรีราตนใจได้โปรดดล บ, นนบันดาลอปบารนส า, าท่านทั้งหลายประสบความ จเจริญงอกงามไปบุญในธรรมอันพระผูมีะภาคย่าสมกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยตัวการทุกท่านเธอ